กาทันจ่าปนาพิกเวปิกุจิตเตจิตานุปัสสิวิหารติอิทาพิกเวปิกุสาราคังวาจิตตังสราคังจิตตันติปะชานาติวีตราคังวาจิตตังวีตราคังจิตตันติปะชานาติสัทโทสังวาจิตตังสัทโทสังจิตตันติปะชานาติ วีตัโทสังวาจิตตังวีตัโทสังจิตตันติปะชานาตสมโมหังวาจิตตังสมโมหังจิตตันติปะชานาติวีตโมหังวาจิตตังวีตัโมหังจิตตันติปะชานาติสังคิตตังวาจิตตังสังคิตตังจิตตันติปะชานาติ วิกิตังวาจิตังวิกิตังจิตตันติปชาณาติมหคตังวาจิตังมหคตังจิตตันติปชาณาติอมหคตังวาจิตังอมหคตังจิตตันติปชาณาติสตรังวาจิตังสตรังจิตตันติปชาณาติอนุตรังวาจิตังอนุตรังจิตตันติปชาณาติ สมะหิตังวาจิตังสมะหิตังจิตตันติปชะนาติอสัมหิตังวาจิตังอสัมหิตังจิตตัติปชะนาติวิมุตตังวาจิตังวิมุตตังจิตตันติปชะนาติอวิมุตตังวาจิตังอวิมุตตังจิตตันติปชะนาติอิติอาจะตังวาจิเตจิตานุปัสสวิหรติ พหิทธาวาจิเตจิตานุปัสสีวิหรติอาจัตตาหิทธาวจิเตจิตานุปัสสีวิหรติสมุทยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิหรติวยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิหรติสมุทยวยธรรมานุปัสสีวาจิตตสมิงวิหรติ อธิชิตันติวะป a ะสสติปั a จุป a t ิตาโหติยาวเดวายานัมตาญาปิสติมัตตา a าณิสิโตจวิหารตินาจักินจิโลกเกอุปาดียติเอวัมปิโคภิกเเวปิกุจเตจิตานุปัชวิหรติจิตานุปัสนาิทิตา